กะแปดทัศเนนะปะหาตัปพติกะหนึ่งทัศเนนะปะหาตัปพระบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกไนเหตุปจัจใจสอง้อยห้าสิบปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระย่อสองหเเหตุตุปัจจัยมี9้าวาระ อารมณปัจใจมีก้าวาระอธิปติปัจใจมีก้าววาระและถึงกรรมะปัจใจมีกล่าววาระมหาระปัจใจมีกลาวาระและถึงอวิคตาปัจใจมีกลาววาระยอ่อนเหตุ ป, ปัจัยและนอาทิปติปัจใจสองร้อยหกสิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปติมักอาศาัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปฏิ ม, הק, มาค เ, เกิดขึ้นเพราะนอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระสองร้อนเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระน่ะอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระน่ะภูรชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนปัจจาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระ ณอาศัวณปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมะปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อณอธิปติปัจจัยกับเภตุปัจจัยมีเก้าวาระย่ออรามะนะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระปัจจยวาระนิสยวาระสังสัทวาระ และจำปยุตวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระหนึ่งทัศเนนะปหาตับพภบทเจปัญหาวาระปัญญจยะจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารมะณปัจจัยหกสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปิมักโดยอารมณปัจจัยมีเก้าวาระย่อสองกสิเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระ สหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิจญาปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิจญาปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอหารัปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัครปัจจัยมีสามวาระสัมยุตตปัจจัยมีเก้าวาระละถึง อวิคตะปัจใจเมียก้าวาระยอ่อปัจจณียุทธาระสองหกสิสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปิมักเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปิมักโดยอารมณปัจจัยสะหะชาตะปัจจัยและอุปนิเสสยปัจจัยยอ่อสองหสิห้านเหตุต ป, ปัจใจเมียก้าวาระ นาอารามณปัจจัยมีกล่าวาระย่อนาอารามณปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีสามวาระยอ่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีกล่าวาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยอนุโลมปัจจ尼ยะและปัจจ尼ญาณุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้ว 2. ภาวนายะปหาตัปภบทหนึ่งปฏิจจวาระ ปัจญาเจตุกน right. ัยเหตุปัจจัยสองหกสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะนัเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อสองหเจดเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารหันต์ปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อหนเหตุปัจจัยสองหสิบแ สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะน้เหตุตุปัจจัยย่อสองหสิบเน้เหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหน้อธิปติปัจจัยมีเก้าวาระหน้ปุเรชาตปปัจจัยมีเก้าวาระหน้ปัจฉาชาตปปัจจัยมีเก้าวาระหน้าอาเจวนปัจจัยมีเก้าวาระ นกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนวิปยุตตะปัจใจมีเก้าวาระย่อนอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจใจมีเก้าวาระย่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระปัจยะวาระนิจยวาระสังสัถวาระและสัมปยุตตะวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระ สภาวนายะปะหาตถาปฎเจปัญหาวาระปัจยะเจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจใจสองยเจ็ดสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคบื้งบนสา <uyor. S 2> มเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบ น, านสามโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคบื้งบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาโดยอารมณปัจจัยมีเ้าวาระย่อสองยเสอเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนาตระปัจจัยมีเ้าวาระส ม, มนันตระปัจจัยมีเ้าวาระสหชาตะปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีเ้าวาระ นิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปาณิสยปัจจัยมีเก้าวาระอเจวันะปจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระมหาราปจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานะปจจัยมีสามวาระมัคราปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตาปจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตตาปจัยมีเก้าวาระย่อ ปัญญายุทธาระสองเจ็สองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยอ ร, รมณ์ปัจจัยสะอาดชาติปัจจัยและอุปาเิสเสยปัจจัยยอ่อสองรเจ็สิบสามเหตุ ป, ปัจจัยมีกล่าวว่าณอรมณปัจจัยมีกลาวว่ายอ่อ นอะอารามณปัจจัยกับเเหตุปัจจใจมีสามวาระยอ่ออารามณะปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโลมปั จ, จนิยะอนุโลมปั จ, จนิยะและปัจญจิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วสเนวะทสเนนะภาวนายะปะหาตับพภบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจยะจตุกนยัย เหตุปัจจัยสองรยเจ็สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบืงบนสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบืงบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้งบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัก และมรรคบื้งบนสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ27งเหเหตุปัจจัยมีก้าวาระอารมณะปัจจัยมีก้าวาระอธิปติปัจจัยมีกลาวาระละถึงกรมมะปัจจัยมีกลาวาระวิปากะปัจจัยมีก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าวาระยอ่อในเหตุปัจจัยเป็นต้น276 สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมรรคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมรรคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะน่ะอรมณะปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะนารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะนารมณะปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดา Eat. ปติมัคและมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดา olar, ปติมัคและมรรคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะนะอธิปติปัจจัยย่อสองเจ็สบเจดนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระน่ะอรมณปัจจัยมีสามวาระนะอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนะอันตรปัจจัยมีสามวาระ นะสัมนันตะรปัจจัยมีสามวาระนะอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนะอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระนะปุเรชาตปัจจัยมี9้าวาระนะปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนะอจจะวะณะปัจจัยมี9้าวาระนะกรรมปัจจัยมีสามวาระนะวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนะอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนะอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาจารณปัจจัยมีหนึ่งวาระนามะขาปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสัมยุญตปัจจัยมีสามวาระนวิปวิตตปัจจัยมี9้าวาระโนนัิปัจจัยมีสามวาระโนวิขตปัจจัยมีสามวาระย่อนอารมณปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระ ปัจยวาระมิจยวาระสังสัตวาระและสัมปยุตวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระ 3. เนวทัศเนนะภาวนายะปะหาตาพบุ 7. ปัญหาวาระปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจัยและอรมณปัจจัย 278. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาโดยเหตุปัจจัยมีสาวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาโดยอารมณ์ปัจจัยมี9้าวาระยอ่อสองเเก้หตุปัจจัยมีสามวาระ อรามณปัจจัยมีฆ่าวาระอธิปติปัจจัยมีฆ่าวาระอานันตระปัจจัยมีฆ่าวาระสมนันตระปัจจัยมีฆ่าวาระสหชาตปัจจัยมีฆ่าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีฆ่าวาระมิเชยปัจจัยมีฆ่าวาระอุปาเนเสียปัจจัยมีฆ่าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอเจวะณปัจจัยมีฆ่าวาระ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 อวิคตะปัจจัยมีกลาววาระปัจจนียุทธาระสอสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสโดยอรมณะปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัย่อสองรยแเอ็ดเหตุปัจจัยมีกลาวาระ ณอารามณปัจจัยมีกลาวาระย่อณอารามณปัจจัยกับเหตุตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุตุปัจจัยมีกลาวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจญจิยะอนุโลมมปัจญจิยะและปัจญจิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุเลติกะที่นับไว้แล้วเหตุทุกกะและทัสเนนะปหาตถาภะถึกกะจก เหตุทุกกะเกทัศเนนะปะหาตับพระเหตุกุกะตุกะหนึ่งทัศเนนะปะหาตับพระเหตุกุกะปดหนึ่งปฏิจจวาระปัจยะเจตุกะในเหตุปัจใจสองยแปดสสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้น เหตุตุปปัจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปิมัคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปิมัครวยเพิ่มเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปิมัคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปิมัค เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อ283เหตุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระยอ่อณอธิปติปัจจัยสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปิมัก เกิดขึ้นเพราะเนื้ออาิปติปัจจัยย่อสองอยแปดนออิตติปัจจัยมีกลาวาระเนืบุเรชาตะปัจจัยมีกลาวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีกลาวาระเนออาเซวนปัจจัยมีกลาวาระนกามะปัจจัยมีสามวาระเนวิปากปัจจัยมีกลาวาระเนวิปิุตตปัจจัยมีกลาวาระย่อเนอธิปติปัจจัยกับเพรตตปัจจัยมีกลาวาระ ย่อเหตุปัจจัยกับหน้าอธิปติปัจจัยมีฆ่าวาระย่อ <Yo. S 2> พึงขยายจหาชาตะวาระปัจยวาระมิสยวาระสังสถาวาระและสามยุตตะวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระานหนึ่งทัศเนนะปหาตัภะเหตุตุกะ บ, บท 7. ปัญหาวาระปัจยยะจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยสองปห สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคโดยเหตุ ป, ปัปจจัยมีสามวาระสภาวธ ร, รรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคโดยอารมณะปัจจัยในเก้าวาระยอ่อสองปเจด เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอุปานิสเสียปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหาราปัจจัยมีสามวาระละถึงมรรคปัจจัยมีสามวาระสามยุตตปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อ ปเจนียุทธาระสองแปดสิบปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยย่อสองรปดสเก้าณเหตุ ป, ปัจจัยเมฆ้าวาระณอารมณปัจจัยเมฆ้าวาระย่อ นือารัมณปัจจัยกับเตุปัจจัยมีสามวาระย่ออรัมณะปัจจัยคำเนื้เถรปัจจัยมีแปดวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจินยะอนุโลมปัจจินยะและปัจจินยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วสองภาวนายะปหาตัพะเตุกะบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะจตุกนัยเหตุปัจจัย สองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อสอง เทตุปัจจัยมีก้าวาระอารมณะปัจจัยมีก้าวาระอธิปติปัจใจมีก้าววาระและถึงอว um ิคตะปัจจัยมีก้าวาระย่อณอธิปติปัจจัย292สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคบื้มงบนสเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจใจมีกาววาระย่อ สองรอณอธิปฏิปัจจ er ัยมีห้าวาระณบุรชาติปัจจัยมีห้าวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระนอเสวนาปัจจัยมีห้าวาระนกรมมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจใจมีห้าวาระย่อณอธิปฏิปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีห้าวาระย่อ เหตุปัจจัยกับหน้าที่ปฏิปัจจัยนี้ฆาวาระยอ่อพึงขยายสาชาติวาระปัจยวาระนิสยวาระสังสัทวาระและสัมยุญตวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระ 2. ภาวนายะปหาตถ า, าเหตุกุกะบท 7. ปัญหาวาระปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยสองเก้า ส, ส, สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยอรมณะปัจจัยมีเก้าวาระ ย, ยร่อสอง้าห้า เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีเ้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระอนาตระปัจจัยมีเ้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหัชชะตาปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิเชียปัจจัยมีเ้าวาระอุปญิเชียปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวะนปัจจัยมีเ้าวาระรามะปัจจัยมีสามวาระ วิปากะปัจจัยมีห้าวาระมหาระปัจจัยมีสามวาระละถึงมัคคะปัจจัยมีสามวาระซัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิขตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อปัจจนยุทธาร้96สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคบื้งบนสาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุ ซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสาโดยอารมณปัจจัยสะหชาตปัจจัยและอุปาเสียปัจจัยาาย่อสองนเหตุปัจจัยมีเ้าวาระนอารมณะปัจจัยมีเ้าวาระย่อณอารมณปัจจัยกับเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเ้าวาระย่อพึงนักเหมือนอนุโลมปัจจญยะ อนุโลมะปั จ, จนิยะและปัจญจิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลภิกะที่นับไว้แล้ว 3. เนวัฒนเนนะภาวนายปะปหาตับพระเหตุตุกะบทหนึ่งปฏิจจาวาระปัจยะจตุกนยัยเหตุตุปัจจัย 298. สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเปื้มงบนสาม อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุหตุปัจจัย่อสองเสเหตุตุปัจัจมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจัจมีเ้าวาระยอ่อณเหตุตุปัจจสามร้อย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะนัเหตุุปปัจจัยย่อสามหนึ่งนเหตุุปปัจจัยมีหนึ่งวาระนั่นอรมณปัจจัยมีสามวาระนัอธิปติปัจจัยมี9้าวาระนัอนันตระปัจจัยมีสามวาระ ณสมนันตรปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระณอุปาณิเสยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาติปัจจัยมีเก้าวาระณปัจฉาชาติปัจจัยมีเก้าวาระณอเสวณปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรทียป nah ัจจัยมีหน mmm ึ um ่งวาระ ณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระน ม, มัคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิบยุตตปัจจัยมีเก้าวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยมีสามวาระยอ่อณอารมณปัจจัยกับเพรทุปัจจัยมีสามวาระยอ่ออารมณ์ปัจจัยกับเนหิตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายสหชาตาวาระ ปัจยะวาระนิสยะวาระสังสถาวาระและสัมยุตตวาระให้พิจารเหมือนกับปฏจิจวาระ 3. เนวัตสเนนะภาวนายะปะหาตับพะเหตุกะบุตรเปัญหาวาระปัจญะจตุกนัยเหตุปัจจัยส0 2อสองสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อสามร้อยสาเหตุปัจจัยมีสามวาระอรามเนปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอานันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระชาชะตาปัจจัยมีเก้าวาระ อัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปรานิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาสิวนะปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระ มคราปัจจัยมีก้าวาระสัมยุตตปัจจัยมีก้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอาธิปัจจัยมีก้าวาระนัตติปัจจัยมีก้าวาระวิคตะปัจจัยมีก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีก้าวาระย่อปัจจ尼ยุทธาร ะ, าจจยาระอจจยสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักบืงบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและมักเบื้องบนสาโดยอารมณปัจจัยสหาชาตปัจจัยและอุปาเสเจปัจจัยยอ่อสามรห้าณเหตุตุปัจจัยมีเก้าวาระณารามณปัจจัยมี9้าวาระยอ่อณารามณปัจจัยกับเหตุปปัจจัยมีสามวาระยอ่อ อารามณะปั จ, จัยกับนะเหตุัปัจใจมีก้าววาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปั จ, จนิยะอนุโลมมาปั จ, จนิยะและปั จ, จนิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในขัวะลติ ก, กะที่นับไว้แล้วเหตุตทุกะและทัศเนนะปะหาตักพระเหตุตุกกะติกะจบ ทุกะสิอาจจะยาคมิติกก ะ, ะ, กะหนึ่งปัจยะยาคามิบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุ ก, กนาใหตุปัจใจสามร้อยหกสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้น่เพราะเหตุหตุปั จ, จมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป <mus> ็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสามร้อยเจ็ด เหตุปัจจัยมีกลาวว่าอารมณปัจจัยมีกลาวว่าอธิปติปัจจัยมีกลาวว่าอันันตระปัจจัยมีกลาวว่าสมนันตระปัจจัยมีกลาวว่าละถึงอวิคตะปัจจัยมีกลาวว่าย่อนเหตุปัจจัยและหนอธิปติปัจจัยสามสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึงเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมทีท่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอายใจสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดข <IX> ึ้นเพราะเนอธิปฏิปัจจัยย่อสามรเกณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระ นปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนอาศวนาปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีแปดวาระย่อนาอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระย่ออารมณะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายสหชาตาวาระปัจจยาวาระ มิเสวาระสังสถาวาระและสมยุตตะวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจาวาระหนึ่งอาจยะขามิบทเจปัญหาวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุ ป, ปัจจัยเป็นต้นสามร้อยสิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ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 คืออาริมนาธิปติและสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยทีิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออาริมนาทิปติและสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุนี้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออา ร, รมณาทิปติมีสามวาระย่อส1มเอ็หตุปัจจัยมีสามวาระอปปจจา ร, อรมณะปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระและถึงอุปาณิเสก ป, ปัจจัยมี9้าวาระอาเสวนะปัจจัยมี9้าวาระ กรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระทินทริยปัจจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระย่อปัจจ尼ยุทธาร้อยสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุ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 อนุโลมปั จ, จนิยะและปัจญจิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลตึกะที่นับไว้แล้วสองปัจญยะคามิบทหนึ่งปฏิจจวาระปั จ, จยะจตุ ก, กนัยเหตุปัจจสามร้อยสิบสี่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพาน ปกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสามร้อยสิบห้า เหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเ้าวาระและถึงกามปัจจัยมีเ้าวาระอาหารปัจจัยมีเ้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระย่อณอธิปติปัจจัยสาม้ยสิบหสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะณอาทิตติปัจจัยย่อ สามอนอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระเนืบุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระเนปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนกามะปัจจัยมีสามวาระเนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระเนื้อวิยุตตปัจจัยมีเก้าวาระย่อเนออธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระย่อเหตุปัจจัยกับเนอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระย่อ พึงขยายสหชาติวาระปัจยาวาระเนจยาวาระสังสัถาวาระและสัมยุญตวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระสองอภิจยะขามิบทเจปัญหาวาระปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจัยและอธิปติปัจจัามอยสิบปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพาน เป็น ป, ปจ well ัจจัยแก er ส่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยเหตุตกปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยทิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือชาชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพาน โดยธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปฏิมีสามวาระย่อ319ิเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระสหชาตปัจจัยมี9้าวาระละถึงอุปนิเสยปัจจัยมี9้าวาระธรมปัจจัยมีสามวาระอหิรัปัจัยมีสามวาระอินทรียปัจัจมีเ้าวาระชานะปัจัยมีสามวาระ ม, มัคคะปัจจัยมีฆ้าวาระสัมยุตตปัตจจัยมีฆ้าวาระอธิปัววปจจัยมีฆ้าวาระภวิคตะปัจจัยมีฆ้าวาระย่อปัจจิยุทธาระสาอยี่สิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยสหชาตาปัจจัยและอุปนินสียปัจจัยย่อสาอยี่ิบเอ็ด นัเหตุปัจจัยมีห้าวาระนั่นอารมณะปัจจัยมีห้าวาระย่อนัอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออธิปฏิปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยะอนุโลมปัจจ尼ยะและปัจจ尼ญาณุโลมแห่งปัญหาวาระในปุสลเถกกะที่นับไว้แล้วสาม เนวายะคามินาปัญญาคามิบทหนึ่งปฏิจจ า, าระปัญญา จ, ะจะตุกนัยเหตุปัจใจสามรอยยี่สิบสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ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 ย่อสร้อเหตุปัจจัยมีกลาววาระอารมณปัจจัยมีกลาวาระอธิปติปัจจัยมีกลาววาระและถึงอุปานิสยปัจจัยมีกลาววาระปุเรชาตะปัจจัยมีกลาววาระอาเสวะณปัจจัยมีกลาวาระกรรมปัจจัยมีกลาววาระวิปากปัจจัยมีกลาววาระอหาราปัจจัยมีกลาววาระ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 เกิดขึ้นเพราะณปัจฉาชาตะปัจใจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาเนเกิดขึ้นเพราะนะกรามปัจใจยอ่อสอยยี่สิห้าณเหตุ ป, ปัจใจมีหนึ่งวาระณอารมณปัจัยมีสามวาระณทิปติปัจัยมีก้าวาระ ณอนันตรปัจจัยมีสามวาระณสมณันตระปัจจัยมีสามวาระณัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณนิสัยปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาติปัจจัยมี9้าวาระณปัจฉาชาติปัจจัยมีเ้าวาระณอาศัยวณัจจัยจมีเ้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีเ้าวาระ ณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรีย์ปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระณมคลาปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมยุญตตปัจจัยมีสามวาระณวิบิยุตตปัจจัยมีเ้าวาระณนุณติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อณอารมณปัจจใจขเภทุปัจจัยมีสามวาระย่อ อารามณปัจจัยกับนเธตุปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อพึงขยายสหชาตะวาระปัจยวาระนิสยว า, สสาวาระสังชัติวาระและสัมปยุตตวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระ 3. เนวจยคามินาปัจยคามิบท 7. ปัญหาวาระปัจยะจตุกนยัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัามยยี่ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยเหตุุปปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมติเป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยอารมณปัจจัยย่อ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 ปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระอสิวะณปัจจัยมีเก้าวาระระมะปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอหาราปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคราปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระวิบิยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีเ้าวาระ นัติปัจจัยมก้าวาระวิคตะปัจจัยมก้าวาระอวิคตะปัจจัยมฆ้าวาระย่อปัจจนียุทธาระ328สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนทิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนทิจุติและนิพพานโดยอรมะนปัจัยสหชาตปัจัจ และอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยอรมณปัจจัยชหชาตะปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยอาหาระปัจจัยและอินทรีย์ปัจจัยย่อ สามยี่สิบเนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอารามณปัจจัยมีเก้าวาระย่อนอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารามณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีเก้าวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยะอนุโลมปัจจ尼ยะและปัจจนญาอนุโลมแห่งปัญหาวาระในกุชลติถกกะที่นับไว้แล้ว เหตุทุกกะและอาชยะคามิตกะจบ